เมื่อวานพูดถึงช่างทามผมคนหนึ่งนะซึ่งช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนใจนะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าได้รับความเอื้อเฟือ้อความมีน้ำใจนะหรือว่าความเป็นมิตรจากช่างทามผมโดยที่ช่างทามผมก็ไม่ได้รู้เลยนะว่า สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันสามารถจะช่วยชีวิตนะของผู้หญิงคนหนึ่งได้ที่อังกฤษนั่นก็มีช่างตัดผมคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่ ค, คลา้คลายกันคือแกมองว่าการเป็นช่างตัดผมเนี่ยนะไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่ทำผมให้ดีตัดผมให้ดี แต่ว่ายังช่วยทำให้ลูกค้ามีความสุขด้วยเพราะนั้นเนี่ยเวลามีใครมาตัดผ ม, มกับแกก็จะชวนพูดคุยโอภาปาใสาแล้วก็ให้ความเป็นมิตรแล้วก็เพราะว่าลูกค้าจานวนมากเนี่ยพอได้มาตัดผมกับแกเนี่ยนะก็จะสบายใจแล้วเขาก็จะคุย เรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งบางเรื่องเนี่ยเขาก็รู้เป็นคนแรกนะนะรู้ก่อนภรรยารู้ก่อนครอบครัวซะอีกนะเพราะว่าดละความไม่เนื้อเชื่อใจแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันทำให้เขาเนี่ยเกิดฉุกคิดขึ้นมาก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาคุยด้วย เพื่อนนั้นก็คุยกับเขาอยู่พักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันสองวันก็ได้ทราบว่าเพื่อนคนนั้นค่าตัวตายแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะช่วยเพื่อนได้นะถ้าเกิดว่าสามารถจับสัญญาณความทุกข์ความสิ้นหวังนะของเพื่อนคนนั้น ถ้าจับสัญญาณได้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยคิดจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็คงจะช่วยป้องกันไม่ให้เขาทำอย่างนั้นได้เรา ก, ก็เลยพยายามไปศึกษาว่าเราจะทำยังไงนะเวลาคนที่มีปัญหามีความทุกข์มากแล้วเขาอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะช่วยเขาอย่างไงได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้คิดคนเดียวนะนังคิดต่อไปว่าเนี่ยมันมีเพื่อนเราหลายคนนะที่เขาเป็นช่างตัดผมอะแล้วถ้าเกิดว่ารวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันป้องกันคนค่าตัวตายเพราะว่าแองกฤษเนี่ยนะมันมีคนค่าตัวตายเยอะแล้วก็จำนวนไม่น้อยนี้ก็ ไม่ได้มีชีวิตที่ลำบากในทางเศรษฐกิจแต่ว่ามีความผิดหวังบางอย่างเหลืออยู่โลกซึมเศร้าก็าคิดว่าเนี่ยคนที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยนะอยู่ในสถานะที่จะช่วยคนเหล่านี้ได้เพราะว่าลูกค้าจำนวนมากพอมาตัดผมแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจแล้วก็อาจจะระบาย หรืออาจจะไว้ใจนะแล้วก็พั่งรูความทุกออกมามเขาคิดดีนะไม่ได้คิดเพียงครับเอฉันจะช่วยป้องกันคนไม่ให้ฆ่าตัวตายได้อย่างไรแต่ว่ายัางคิดด้วยว่าเนี่ยเราน่าจะรวมกลุ่มกันนะทำงานนี้เรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่การทำผมหรือตัดผมอย่างเดียวนะแต่คิดว่าคนเราควรจะ ทำอะไรให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่านี้คนนี้รวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะเพราะคิดว่าเนี่ยมันต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าตั้งใจดีปรารถนาดีแล้วก็จะไปทำได้เลยนะก็เลยจัดอบรมนะเอาเพื่อนๆนี่มาเข้ารับการอบรมตัวเขาก็ร่วมด้วยนะเชิญผู้รู้มาเป็นวิทยากรเพื่อเป็นนักฟังที่ดี นัฟังที่ดีคือว่าไม่ตัดสินนะไม่สั่งสอนนะฟังเพราะการฟังอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็รู้จักจับสัญญาณคนที่ก็มีความทุกข์มากๆจนคิดฆ่าตัวตายก็ใช้เวลาอบรมก็ไม่นานนะแล้วก็ก็พบว่ามันช่วยได้นะอย่างตัวเขาเองเนี่ยมีวันนึงก็มีลูกค้ามาตัดผมอันนี้ลูกคุก็ลูกค้าขาประจำอยู่แล้ว ฐานะก็ดนะีงานการก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาตัดพงกัเขาแล้วก็ได้พูดได้คุยได้ระบายเขาก็จับสัญญาณได้ว่าเนี่ยสงสัยคนนี้นี่เขามีความทุกข์มากนะที่อยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็ทำยังไงนะก็นั่งฟังนั่งฟังนะไม่ต้องตัดสินอันนี้สำคัญมากนะเพราะหลายคนเนี่ยพอ พอรู้ว่าจะมีใครคิดฆ่าตัวตายบางทีก็ชอบสอนคิดได้ยังไงแบบนี้มันบาปนะคิดแบบนี้ไม่ถูกไม่ได้คิดถึงพ่อแม่บ้างเหรอนะหรือบางทีก็พูดวันนี้คนหนึ่งเขาลำบากกับเธอต้องเยอะแยะเขามีความทุกข์กับคุณต้องมากมายทำไมต้องมาตัดช่องว่างแต่พอตัวนะหลายคนก็คิดว่าพูดแบบนี้มีประโยชน์นะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ แถมจะซ้ำเติมคนที่เขากำลังแย่อยู่แล้วเนแต่ว่าช่างตัดผมวันนี้แกก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็พูดให้กำลังใจไม่ตัดสินไม่แนะนำสั่งสอนลูกค้าก็ออ้สึกสบายใจหายไปสองสาวันกลับมาแล้วก็บอกกับช่างตัดผมวันนี้ว่าเนี่ยผมมาคิดค่าตัวตายนะ ตอนที่มาคุยตอนที่มาทำผมยังมีความคิดแบบนี้อยู่แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วรู้สึกสบายใจเห็นทางออกแล้วอันนี้เป็นวิธีนะเป็นตัวอย่างนะที่ช่างตัดผมคนนี้เนี่ยนะแกะสามารถที่จะช่วยลูกค้าหรือช่วยเพิ่มมนุษย์ได้ด้วยการเพียงแต่รับฟังโดยไม่ตัดสิน แล้วก็จับสัญญาณให้ได้ว่าเนะี่ยาคนนี้เขากำลังมีความทุกข์นะแล้วเปิดกายเขาได้พูดได้ระบายให้กำลังใจเขาบางทีความรู้สึกดีๆเพียงแว บ, บเดียดนี่มันทำให้ได้สตินะแล้วก็ทำให้เปลี่ยนใจตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เขามีความทุกข์จนคิดค่าตัวตายนี่มีเยอะมากโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าทีนแพร่ระบาด และสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นะัคือการมีเพื่อนรับฟังซึ่งไม่จำเป็นต้องไปหาไปหาจิตแพทย์ก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีหลายแห่งหลายที่เนที่เขาใช้วิธีการแค่เปิดโอกาสให้คนที่มีความทุกข์เขาได้มีโอกาสได้ระบายอย่างที่เคยเล่าเนี่ยในแอฟริกาในจีเรียเนี่ยชาวบ้านจำนนบานนะ่าช่วยให้ คนฆ่าตัวตายน้อยลงเพราะว่าเขามีเก้าอี้มิตรภาพนะใครที่มีความทุกข์ก็มานั่งกาชิดเก้าอี้ตรงเนี้เดี๋ยวจะมีคุณป้านะคุณพี่คุณยายมานั่งฟังและชวนคุยด้วยพวกนี้ก็ถูกฝึกมานะฝึกมาให้เป็นผู้รับฟังนะไม่ได้คิดแต่จะสั่งสอนหรือห้ามปรามฟังอย่างเดียวด้วยความเข้าใจ มิตรภาพตอนนี้ก็ช่วยคนไปได้เยอะเลยนะแล้วก็แพทย์ไปหลายประเทศอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะในบ้านเราเนี่ยก็มีคนพยายามที่จะเป็นเพื่อนรับฟังจิตอาสามารับฟังความทุกข์ของผู้คนมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้เพราะเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยขาดเพื่อนขาดคนที่จะเข้าใจนะแต่ถ้ามีคนได้เข้าใจแล้วก็รับฟังความทุกข์มันก็ช่วยเขาได้เยอะทีเดียวเรียกว่าคลายความอัดอัน้นหรือระบายความทุกข์ได้